จเจริญพรท่านผู้มีจิตสรัทธามีความเริ่มยมใสในพระธรรมคำสอนในพระพุทธเจ้าในพระอริยสงสาระทั้งหลายทุกท่านวันนี้ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานตา่ตางๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟัง พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยธรรมหรือคุณธรรมสี่ประการด้วยกันคือเมตตากรุณามุนิตาโมเบขานี่คือทามที่จะทำให้พวกเราอยู่ร่วมกัน อย่างร่มเย็นเป็นสุขแควค่าปลอดภัยจากการทำร้ายซึ่งกันและกันถ้าเรามีเมตตากรุณามมดิตาอุเบคานะเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นเราต้องมาศึกษาว่าเมตตากรุณามมฎิตา กบีขานี้เป็นอย่างไรยังมีญาติโยมอยู่มากที่ไม่เข้าใจการแผ่เมตตาว่าแผ่กันอย่างไรคิดว่าเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาด้วยการสวดบทสัพเพสัตตา อันนี้ยังไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเพราะการแผ่เมตตานี้จะต้องมีผู้รับแล้วก็จะต้องมีสิ่งที่ให้กับเขาไม่ใช่คิดในใจเฉยๆแต่ไม่ได้ทำอะไรให้กับเขาอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการแผ่เวลาเราสวดนี้เป็นการสอนตัวเราสอนใจให้รู้จักวิธีแผ่ เวลาแผ่จริงๆนี่ต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกับคนกับบุคคลหรือสัตว์ต่างๆเราถึงจะแผ่ได้ไม่เช่นั้นแผ่ไปก็ไม่มีใครรับเมื่อแผ่ไปไม่มีใครรับมันก็เหมือนกับเราทาบุญแล้วไม่มีใครรับเอาของไปวางไว้เหมือนกับไปไหว้เจ้าไหว้ผี เสร็จแล้วเราก็เอากลับมากินอย่างนี้ก็ไม่ได้แผนเน่เมตตาการแผนเน่เมตตานี่คือเราต้องการให้ผู้มีความสุขจากการกระทาของเราเช่นเวลาเราพบปะกันเราก็ถามสารทุกสุขดิบเป็นยังไงสบายดีหรอือยิ้มให้กันนี่เรียกว่าแผนเน่เมตตาเพราะเวลาเราถามเขาเรายิ้มให้เขานี่ ก็แสดงความเป็นมิตรต่อกันก็จะทำให้เขารู้สึกสบายว่าเราไม่ได้โกรธแค้นโกรธเกองเขาอาฆาตพยาบาทเขานี่คือวิธีแผ่เมตตามีหลายวิธีเวลาเจอกันก็ให้เราทักทายกันยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าน่าบึ่งตึงแยกเคี้ยวใส่กัน อย่าด่ากันว่ากันพูดดีๆมีเรื่องอะไรที่ต้องพูดต้องบอกก็พูดดีๆได้ไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องด่ากันหน้าดำหน้าแดงแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาให้เราพูดด้วยความเมตตาถ้าเราจำเป็นที่จะต้องบอกต้องเตือนใครเราก็พูดด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่พูดคำหยาบถนะ้าเวลาเราโกรธใครเวลานั้นเราไม่ควรไปพูดกับใครเพราะเวลาโกรธแล้วเวลาพูดจะพูดไม่ดีเพราะใจเราร้อนใจเราเครียดเราก็จะระบายความเครียดระบายความร้อนให้แก่ผู้อื่นอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าแผ่เมตตาแต่แผ่ความโกรธเกลียดให้แก่ผู้อื่น การแผแ่เมตตาเราจึงต้องรู้ว่าแผ่อย่างไรเวลาใครเขาทำให้เราโกรธเราก็ต้องให้อภัยเขายกโทษให้เขาถ้าเรายกโทษได้เราก็จะหายโกรธแล้วเราก็ไม่ต้องไปพูดไปด่าเขาหรือไปทำร้ายเขาแล้วใจของเราก็จะสงบเย็นมีความสุขการแผแ่เมตตานี้ความจริง แผ่เพื่อให้เรามีความสุขคนที่เขารับเขาจะสุขหรือไม่สุขเราไม่รู้แต่ถ้าเราแผ่แล้วเราจะสุขเช่นเวลาเราโกรธใครเกลียดใครพอเรายกโทษให้เขาไปให้อภัยเขาไปความโกรธเกลียดก็จะหายไปความรุ่มร้อนของจิตใจก็จะหายไปความสุขความเย็นใจก็จะกลับคืนมา ความจริงการแผ่เมตตานี้แผ่เพื่อให้เรามากกว่าแผ่ให้กแก่ผู้อื่นแต่ผู้ืเขาก็ได้รับประโยชน์จากการแผ่เมตตาถ้าเขาทำอะไรให้เราเสียหายแต่เราไม่ไปเอาโทษเขาเขาก็ปราศจากโทษให้อภัยเขาไปเราไม่ต้องไปทุบตีเขาไม่ต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายอะไรต่างๆ ขึ้นขับรถไปมีคนมาชนท้ายรถเราเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเรามีประกันเดี๋ยวประกันจ่ายให้ อ, อย่างนีเรียกว่าแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่มีเหตุการณ์ตอนที่ใจเรากำลังร้อนใจกำลังโกรธเกลียดใครหรือกำลังอยากได้อะไระเวลาอยากจะได้อะไรคนอื่นเอาของที่เราอยากได้ไปก่อน เราก็อยากไปโกรธเขาเราก็อนุโมทนามุติตาจิตแสดงความยินดีกับเขาว่าเขาได้สิ่งที่เขายากอยากได้แล้วทาให้เขามีความสุขเราก็อยากจะให้เขามีความสุขเราก็จะแสดงความยินดีไปนี่คือเรื่องของการแผ่เมตตาท่านว่าสัพเพเอเวราหนตุ แต่ว่าจะไม่มีเวรกับใครใครจะร้ายกาจกับเราอย่างไรเราจะไม่จองเวรจองกรรมเขาจะให้อภัยเขาอัปยาป ช, ชาโหนตุเราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจะไม่ฆ่าผู้อื่นจะไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่ประพฤติผิดตัเวณีจะไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่นจะไม่ดื่มสุรายามเมา แล้วไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนี่คืออัปยาปั ช, ชาโหนตุจงไม่เบียดเบียนกันอานีคาโหนตุแต่ว่าอยากให้เขาไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจถ้าเขาทุกข์กายทุกข์ใจถ้าพอจะบรรเทาให้กับเขาได้ก็บรรเทาไปเขาทุกข์ใจก็เอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปลอบใจเขา หรือถ้าเขาขาดแครนอะไรเดือดร้อนอะไรพอมีอะไรจะให้เขาได้ก็ให้เขาไปนี่คือเพื่อเขาจะได้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็สุขขี้อัตนานปาริหรัตุแปลว่าขอให้เขามีแต่ความสุขขอให้อยู่เย็นเป็นสุขไปตลอดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเขา มีวิธีใดที่เราจะทำให้เขามีความสุขได้เราก็ทำไปเวลาเรามีของเหลือกินเหลือใช้เราก็เอาไปแบ่งให้เขานี่ก็เป็นวิธีแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสวดมวนต์คนเดียวแล้วก็แผ่แผ่ไปในอาวากาศอาวากาศมนะันไม่รับหรอกมันไม่มีประโยชน์อะไรต้องแผ่ตอนที่เรามีคนหรือสัตว์ เจอสุนัขอรเงี้ยก็เมตตามันเลี้ยงมันช่วยเหลือมันหาให้มันดีที่อยู่อาศัย อ, อย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาข้อที่หนึ่งคือเมตตาข้อที่สองก็คือการุณาการุนาก็คือความสงสารสงสารคนที่เขาด้อยกว่าเราสงสารคนที่เขาทุกข์ยากกว่าเรา เราอย่าไปดูถูกดูแคลนดูหมิ่นเขาอย่าไปสมน้ำหน้าเขาถ้าเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราควรที่จะให้ความช่วยเหลือเช่นเวลามีภัยธรรมชาติน้ำท่วมพายุไฟไหม้ไม่มีบ้านอยู่ไม่มี ปัจจัยสี่ไม่มีอาหารไม่มียารักษาโรคไม่มีเครื่องนุ่หงห่มเราก็ต้องช่วยเหลือกันที่เราบริจาคเงินเวลาที่มีอุทุ ก, กภัยมีวาตภัยมีอัคขีภัยอันนี้ก็เป็นการแผ่ความกรุณามีความสงสารเราต้องมองว่าเราอยู่ในโลกนี้เราเป็นเหมือนพี่น้องกัน เราเป็นเหมือนเพื่อนกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันความทุกข์ที่ได้จากการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันก็มีมากมีน้อยต่างกันบางคนก็มีทุกข์มากเดือดร้อนมากบางคนก็เดือดร้อนน้อยบางทีเขาเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนบางทีเราเดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนถ้าต่างฝ่ายต่างช่วยกันเวลาเดือดร้อน มันก็จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กันและกันได้ถ้าเขาช่วยเหลือเขาต่อไปเวลาเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือเราเองเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นเราเวลาใครเขาช่วยเหลือเราเราก็จะนึกถึงบุญคุณของเขาแล้วพอเรารู้ว่าเขาเดือดร้อนเราก็อยากจะทดแทนบุญคุณเราก็จะกลับไปช่วยเหลือเขาดังนั้น เราช่วยเหลือผู้อื่นนี้เป็นเหมือนกับการสร้างบุญสร้างคุณสร้างเหตุที่จะทำให้ผู้อื่นเขาอยากจะมาช่วยเหลือเราต่อไปถ้าเราไม่เคยช่วยเหลือใครเลยเวลาเดือดร้ อ, อนนี้จะไม่มีใครเขาคิดถึงเราเพราะเราไม่เคยไปทำอะไรให้กับเขาไม่เคยไปช่วยเหลือเขาเขาก็จะไม่คิดถึงเรา เหมือนกับเราถ้าไม่มีใครมาช่วยเหลือเราเราก็จะไม่คิดถึงเขาแต่ถ้าใครก็มาช่วยเหลือเราเวลาที่เราเดือดร้อนเราก็จะคิดถึงเขาเสมอแล้วถ้าเวลาเรารู้ว่าเขาเดือดร้อนเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาทันทีถ้าเราช่วยเหลือได้นี่นันเป็นธรรมชาติของจิตใจของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนอยากจะตอบแทนบุญคุณของผู้อื่น เขาทำบุญทำคุณทำประโยชน์กับเราเวลาเขาเดือดร้อนเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาดังนั้นขอให้เรามีความกรุณนาต่อเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานถ้าเขาเดือดร้อนช่วยเหลือเขาไปเถิดแล้ววันข้างหน้าไม่แน่เวลาเราเดือดร้อนก็จะมีผู้ที่เขา ได้รับการช่วยเหลือจากเราจะมาช่วยเหลือเราต่อไปแต่เราไม่ได้ทําเพื่อหวังผลนี้ก็แล้วกันทําไปเพราะว่าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยไปส่วนอนาคตเขาจะช่วยเราหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเขาอาจจะช่วยได้หรืออาจจะช่วยไม่ได้เพราะบางทีเขายังเดือดร้อนอยู่เขาก็ยังช่วยเราไม่ได้หรือว่าเขาไม่อยากจะช่วยเราก็ถือว่า ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเขาเป็นคนแบบเห็นแก่ตัวไม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบให้คนอื่นช่วยเหลือเขาอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาให้เสียเวลา่นี่คือแต่เราอย่าไปทวงบุญคุณกันการช่วยเหลือกันการทำอะไรให้แก่ผู้นี้เราทำเพื่อให้จิตใจเราสูงขึ้น จิตใจเราพัฒนาขึ้นจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาแล้วก็เราได้ผลประโยชน์จากการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเราได้บุญเราได้ความสุขใจเราจึงไม่ต้องการอะไรจากคนที่เขารับการช่วยเหลือจากเราแต่ถ้าเขามีน้ําใจเขาอยากจะตอบแทนน้ําใจจะให้อะไรเรากลับมาเราก็ควรจะรับไว้ถึงแม้ว่าเราไม่อยากได้ แต่เราก็ต้องเห็นอกเห็นใจเขาเราให้เขาได้เขาก็อยากจะให้เราถ้าเรารับเขาก็จะได้มีความสุขนี่คือเรื่องของความกรุณาถ้าเราต่างคนต่างดูแลกันช่วยเหลือกันเราจะอยู่กันอย่างสงบอยู่อย่างปลอดภัยอย่างเพื่อนบ้านเวลาเขาไม่อยู่เราก็ช่วยดูแลบ้านเขาเผื่อมีใครแปลกหน้าเข้ามา ก็โทรศัพท์ไปบอกตำรวจหรือใครก็ได้ให้มาดูสัหน่อยว่าเขามาทำอะไรกับบ้านของเพื่อนบ้านเราอยู่ด้วยกันต้องช่วยเหลือกันเวลาเราไม่อยู่เขาก็จะได้ดูแลบ้านให้กับเราได้นี่คือความหมายของความการุณาที่เราควรจะมีต่อกันข้อที่สมมุติตาก็คือ ความชื่นชมยินดีกับความสุขกับความเจริญของผู้อื่นเวลาเราเห็นคนอื่นเขาเจริญเขามีความสุขเราก็ถือกระเช้าของขวัญไปแสดงความยินดีเช่นเขาได้รับตำแหน่งใหม่ได้เป็นอะไรก็ตามเราถ้ารู้จักกันเราก็ไปแสดงความยินดีกับเขาชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาได้อาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากได้แต่เรายังไม่ได้เราก็อย่าไปอิจฉาริษยาเพราะความอิจฉาริษยานี้จะทำให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแต่ถ้าเรามีความมุติตาชื่นชมยินดีเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีเราก็จะไม่สร้างสัจจรูกับเขาแต่ถ้าเราไม่ยินดีกับ การเจริญกับความสุขของเขาเช่นเขาได้แฟนเราไปเราก็อิจฉาโกรธเขาเกลียดเขาขึ้นมาอย่างนี้เราก็ร้อนใจขึ้นมาทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเราอาจจะไปกันแก้งเขาไปทำอะไรเพื่อให้เขาอยู่กันอย่างไม่เป็นสุขหรืออาจจะไปยุเอยียงตะแคนข้างให้เขาทะเลาะวิวาทกัน อย่างนี้เป็นการกระทําที่ไม่ดีถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนทําเหตุอย่างนี้เขาก็จะไม่ชอบเราเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเสียเพื่อนไปแต่ถ้าเรายินดีกับเขาดีใจไปกับเขาคิดเสียว่าเขาไม่ได้เป็นคู่ของเราก็แล้วกันคนในโลกนี้ก็ไม่มีอยู่เพียงคนเดียวมีเป็นล้านเป็นสิบเป็นร้อยล้าน จะหาคนใหม่คนไม่ได้ทีเดียวหรือให้คิดอย่างนี้แล้วเราคิดกลับมุมกลับว่าเผื่อเราไปเอาแฟนเขามาถ้าเรามีมุติตาจิตกับเขาเขาก็อาจจะมีมุติตาจิตกับเราก็ได้เขาก็อาจจะไม่โกรธแค้นโกรธเคืองก็ได้เขาก็อาจจะคิดว่าอ่ไม่ได้เป็นคู่ของเขาไม่ได้ทําบุญร่วมกันมาเรา ได้เป็นคนที่ทำน่่มกับเขาเราก็เลยได้เขาไปนี่คือการมุดิตาจิตกับคนทุกคนถ้าเห็นใครเขาได้ดีบได้ดีได้รับความสุขก็ให้ชื่นชมยินดีเราก็จะสงบเขาก็จะสงบเราก็จะสบายใจเขาก็จะสบายใจเราต้องรู้จักมีน้ำใจของนักกีฬา การที่เรามาเล่นกีฬากันนี้ก็เพื่อมาฝึกแสดงมูดิตาจิตนี้เองเพราะเวลาเล่นกีฬาก็ต้องมีคนหนึ่งฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายแพ้นี้ก็จะได้มีโอกาสฝึกมุดิตาจิตถ้าเราฝึกเรายินดีกับชัยชนะของผู้อื่นเราก็จะสบายใจแล้วต่อไปเราจะไม่เลือดไม่เดืออร้อนใจไม่อิจฉาตาร้อนกับใคร ใครเขาเขาได้ดีได้ดีก็ถือว่าเป็นเหมือนเล่นกีฬาเขาชนะก็ควรจะชื่นชมยินดีกับชายชนะของเขานี่คือวิธีสร้างความสุขให้กับใจของเราและรักษามิตรภาพที่เรามีกับผู้อื่นให้เป็นมิตรกันต่อไปแทนที่จะมาเป็นศัตรูกันเราก็มาเป็นมิตรกันได้ถึงแม้ว่าเขาได้ชายชนะเวลาแพ้เขา แต่เราก็เป็นนักกีฬามีน้ำใจของนักกีฬาเมื่อแพ้เราก็ยอมแพ้แล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนี่คือเรื่องของมุติตาจิตที่เราควรจะแผลกันแล้วเรื่องสุดท้ายก็คืออุเบกขาอุเบกขาก็คือว่าถ้าเราแผ่เมตตาแล้วเขาก็ไม่รับเราให้ความกรุณากับเขาแล้วเขาก็ไม่ยินดี แสดงมุติตาจิตเขาก็ไม่สนใจเราก็ต้องทำใจเป็นอุเบกขาอย่าไปน้อยใจอย่าไปโกรธอย่าไปเสียใจคิดเสียว่าเขากับเราอาจจะไม่ได้เคยทำบุญกันมาก่อนหรือเขาไม่ชอบขี้หน้าเราก็ไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ชอบเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเรา ถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปชาติหน้าเจอกันจะได้ไม่ต้องมาจองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปนี่คืออุเบกขาพยายามทําใจให้เฉยๆ เ, เวลาเราเจอเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ เช่นบางทีคนที่เรารับนี้เขาเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้เขาจะต้องตายไปในวันสองวันเราจะไปร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายโวยวายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ไปไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรขอให้เราใช้หลักกฎแห่งกรรมมาสอนใจว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอไดไรไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นจะตายเร็วตายช้าก็เป็นเพราะเรื่องของบุญของกรรมที่ทำกันมาหรือให้คิดว่าเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ ล่วงพ้นจากการพัดพลาดจากการไปไม่ได้ถ้าเราเอาธรรมะมาสอนใจเราก็จะทำให้ใจเราเป็นอุเบกขาได้คือไม่เสียใจทำใจให้เรารับกับเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะเจอได้พวกพวกเราทุกคนเกิดมาก็ต้องเจอเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งทุกคนจะต้องเจอความแก่ความเจ็บความตาย จะต้องเจอการพัดพลาจากกันจะต้องเจอกับคนที่เราไม่ชอบหรือจะต้องเจอกับคนที่เขาไม่ชอบเราแต่ถ้าเรามีอุเบกขานี่เราจะไม่เดือดร้อนดังนั้นขอให้เราฝึกทำใจให้เป็นอุเบกขาวิธีที่จะทำให้เป็นอุเบกขาก็คือการนั่งสมาธินี่เองพยายามนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปจเจริญสติให้มาก ถ้าเรามีสติเราจะรักษาใจให้เป็นอุเบกขาได้เวลาเสียใจก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเสียใจเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็ลืมแล้วใจเราก็จะสบายไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนเวลาโกรธก็เช่นเดียวกันเวลากลัวก็เช่นเดียวกันเช่นไปอยู่ที่ไหนเปลี่ยวเปลี่ยวแล้วกลัวผีขึ้นมา ก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงผีถ้ายิ่งคิดถึงผียิ่งกลัวใหญ่ให้บริกรรมพุทโธพุทโธให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็เลิมเรื่องผีพอเลิมเรื่องผีความกลัวก็หายไปเพราะผีจริงๆมันไม่มีหรอกมันมีแต่ผีหลอกผีหลอกก็คือใจเราเนี่ยแหละชอบหลอกตัวเราเองเวลาไปอยู่ที่ไหนคนเดียวนี้มาละผีมาละ แต่ถ้าอยู่กันหลายคนที่ไม่เห็นมันมาสักทีพออยู่คนเดียวใจเราแค่คิดไปเองนั้นเราต้องหยุดความคิดนี้ด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธแล้วใจเราจะได้นิ่งใจเราได้สงบใจจะได้เป็นอุเบกขาจะไม่ต้องไปทําอะไรถ้าไม่ไม่เช่นนั้นจะต้องวิ่งหนีแล้วถ้าคิดว่าปีผีมานี่อยู่ไม่ได้แล้วนี่อันนี้ถูกหลอก แต่ถ้าเรามีสติมีพุทโธแล้วเราก็จะอยู่ได้ไม่มีอะไรผีจริงๆไม่มีผีจริงเขาไม่หลอกผีไม่จริงนันหลอกผีจริงก็พวกคนที่ตายไปแล้วดวงวิญญาณนี้ตรงนี้เขาไม่มาเสียเวลามาหลอกเราหรอกไม่ได้เลยรจากมาหลอกเราเขาไปเกิดแล้วเขาไปรับผลบุญผลบาปแล้วนี่คือเรื่องของการมีคุณธรรมสี่ประการ คือเมตตากรุณามเมตตาโอเบขาเพื่อที่จะรักษาใจของเราให้อยู่เป็นปกติให้อยู่อย่างมีความสุขแล้วจะทำให้ผู้อื่นที่อยู่กับเราเขาก็จะได้รับความสุขจากเราไปด้วยเพราะเราจะไม่สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเราจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเรานี่คือ คุณจะทำสี่ประการที่พวกเราควรที่จะแผ่กันเวลาที่เราเจอกันเวลาอยู่คนเดียวอย่าไปแผ่เวลาสวดนี้เป็นการศึกษาเป็นการเตือนใจสอนใจว่าเราต้องแผ่เวลาเราเจอกันแต่เวลาอยู่คนเดียวนี้สวนไปยังไม่ได้แผ่ยังไม่ได้ผลอะไรสวนไปแล้วใจเราไม่รู้สึกมีความสุขแต่อย่างใดแต่เวลาเจอกันแล้วเขาเดือดร้อน เราช่วยเหลือเขาเราจะรู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีดังนั้นขอให้พวกเราจงน้อมเอาคำสอนอันประเสดของพระพุทธเจ้านี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติกันเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศระีรัตนไตร มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจไปจนวันสุดท้ายของชีวิตโดยทั่วหน้ากันเทอ